เมื่อกี้คณะศรัทธาจากประเทศลาวนิมนต์หลวงพ่อไปเดินมิถุนาหลวงพ่อเลยรับนิมนต์แต่ว่าฝรั่งมานิมนต์หนึ่งไม่เอาอยู่ไกลเกิน <c oughs> คนลาหมอแค่การปฏิบัติ ใจิตใจเขาอ่อนโยนหรือเป็นพื้นฐานเป็นชาวพุทธอยู่ที่จริงแล้วธรรมะนะตัวคำพีนีมมม่มีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์พระไตรปิฎกก็มีอัตถกาถาก็มีคำภีชั้นรองๆองอกงงมาดีกาโนดีกาอะไรก็ยังอยู่ครบความยากมันอยู่ที่เราไม่มีกุญแจ ที่ไปไขตู้พระไตรปิฎกอันนี้ออกมาค่ยๆคำพีมีอยู่แต่เวลาอ่านนะันไม่รู้จะเอามาปฏิบัติยังไงมันเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ครูบาจารย์กรรมฐานนับแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอะไรลงมาหลวงปู่ดุลไนะั่ท่านส่งมอบลูกกุญแจให้เรา ตัวสำคัญคือตัวจิตท่านบอกว่าได้จิตกอได้ธรรมะเสียจิตไปก็เสียธรรมะไปถ้าเรียนแต่ปริยัติไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากไหนเรียนดาดดัไปกว้างกว้างเริ่มต้นไม่ได้สักทีแต่การปฏิบัตินั้นเริ่มที่จิตเอง อันแรกเลยฝึกจิตของเราเองให้มันมีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของเรามันเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันพอเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วเนี่ย มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้มีร่างกายร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์มีจิตใจจิตใจก็แสดงไตรลักษณ์หัวใจมันอยู่ตรงนี้แลงเรามีจิตที่พร้อมที่จะเรียนรู้ความจริงจิตที่ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตการ สังเกตการอะไรสังเกตการทํางานของร่างกายของจิตใจก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดเพราะสิ่งที่เราจะได้มาคือความเข้าใจในอริยสัจการที่เราเรียนรู้ลงในกายในใจนะจนกรทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา เรียกว่าเราได้ทรมาขั้นต้นเป็นพระโสดาบันเรามันดูเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปอีกวันหนึ่งเราก็เห็นความจริงร่างกายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์ด้วยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เรารู้สึกมันคือทุกข์ลว้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกระทุกน้อย ถ้าเห็นตรงนี้นะเราก็จะหมดความยึดถือในร่างกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีคราวนี้การปฏิบัตินะมันจะลงรวมลงมาที่จิตจะเรียนลงมาที่จิตละเพราะกายนี้เรียนจบละลงมาที่จิตวันหนึ่งเห็นแจ้งจิตนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราอย่างที่พระโสดาเห็นแล้วมันเป็นตัวทุกข์ มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันถูกบีบขันอยู่ตลอดเวลามันทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับเรียกว่าเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันใดอันหนึ่งของจิตเมื่อเห็นแล้วก็หมดความยึดถือจิตเมื่อหมดความยึดถือจิตก็หมดความยึดถือขันทั้งหมดเพราะขันทั้งห้ามันมาจากจิตนั่นแหละอาศัย จิตดวงเดียวนี่แสร้างขันห้าขึ้นมาพอมีขันห้าขึ้นมา้ก็มีของที่เกินขันห้าออกไปมีครอบครัวมีบ้านมีทรัพสมบัติมีชื่อเกิดมาก็ต้องตั้งชื่อชื่อไม่ใช่ของจริงตั้งไงก็ได้เนี่ยมีอะไรที่มากมากมากออกไปเรื่อยมีทรัพสมบัติมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเลย มีตั้งมากมายในชีวิตสุดท้ายไม่ได้อะไรติดตัวไปสักอย่างเดียวต้องคืนให้โลกทั้งหมดทั้งร่างกายนี้จิตใจของเรานี้สุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปเพราะันเห็นความจริงของจิตดวงเดียวนะพราว่าไม่ใช่ตัวเราพลงานของจิตคือขันห้ามันก็ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นพระโสดาบันโลกก็ไม่เป็นตัวเราแล้ว ขันห้าใจนี้ใจนีย้ยไม่ใช่เราเลยโลกข้น้อกจะเป็นเราได้ไงถ้าเห็นแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกขันห้าที่เป็นผลผลิตก็เป็นตัวทุกข์เป็นผลผลิตของจิตก็เป็นตัวทุกข์ของอื่นที่เกินกันห้าออกไปยิ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเงินเรียนลงมาที่จิตนี่เองก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด เมื่อไรรู้ความจริงนะถ้าหยาบหน่อยก็มีกายมีขันห้าถ้าถึงขั้นละเอียดสุดท้ายเลยก็คืออยู่ที่จิตดวงเดียวเห็นขันห้าไม่ใช่เราก็า เ, าเป็นพระโสดาบันเห็นจิตไม่ใช่เราขันห้าเพาไม่เป็นเราก็เป็นพระโสดาบันปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวก็คือปล่อยวางขันห้าทั้งหมดปล่อยวางโลกทั้งโลกทั้งหมดเป็นพระอราหารันต์ กุญแจของการปฏิบัตินอยู่ที่จิตนเองหลวงปู่มั่นถึงบอกได้จิตก็ได้ทำเสียจิตไปก็เสียธรรมะไปถ้าตีเคล็ดลับของคำเพีย น, นี้ไม่แตกไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนี่คือตัวกุญแจที่ไขเปิดพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในโต๊ะ ใจพิดกอยู่ในจิตเรานี่เองหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพอ่อธรรมะ8มสี่พันพระธรรมคันออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี่เองออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองเพราะฉะนั้นได้จิตคือได้ธรรมะทั้งหมดนะธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้ารวมลงในอริยสัจส์่มีทุกสมุทัยนิโรธมักแบ่ง เ, เป็นสองคู่ทุกข์กับสมุทัยนิโรธกับมัจ เป็นเรื่องเหตุกับผลนะแต่ในอริยสัจสี่จะเป็นเรื่องผลกับเหตุมีผลคือมีขันห้ามีทุกนะมีกายมีใจนะมีทุกเหตุของมันคือตัวตัณหาตัวอยากเวลาดับดับที่เหตุนะทุกข์ให้รู้สมูทัยให้ละดับดับที่เหตุอันนี้เป็นฝ่ายโลกียะมีตัณหา รวมแล้วมีกิเลสนั่นแหละมีกิเลสตัณหานะก็จะมีทุกข์เพราอาศัยกิเลสตัณหานนะั้เราจะได้รูปนามกายใจนี้มาตัวรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์อีกคู่หนึ่งในอริยสัจนะคือฝ่ายโลกุตตะมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธหรือนิพพานเป็นผลมีเหตุกับผลมีนิโรธ หน้าที่ต่อมักคือเจริญมักมีองค์แปดย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาทำศีลที่ยังไม่มีให้มีทำศีลที่มีแล้วให้มั่นคงทำสมาธิ ท, ท, ท, ท, ท, ที่ยังไม่มีให้มีทำสมาธิที่มีแล้วให้มั่นคงทำปัญญาที่ยังไม่มีให้มีทำปัญญาที่มีแล้วให้งอกงามสมบูรณ์รู้แจ้งเห็นจริงในกองทุก ปัญญาไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นเลยนะปัญญาเรียนรู้ทุกอย่างเดียวเลยเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนี้แหละงนในอริยสัจสี่นี่มีสองคู่คู่ที่เป็นฝ่ายโลกิยะก็คือตัวตัณหาเป็นเหตุตัวทุกข์เป็นผลคู่ในฝ่ายโลขุตะละมีมรรคเป็นเหตุมีผลคือนิโรธเป็นผลสองคู่ เห็นไหมว่าธรรมะให้อิสระเราเราจะเลือกเดินไปหาทุกข์ก็ได้เราจะเลือกเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ทั้งสองทางนั่นแหละอยากทุกข์ก็ตามใจกิเลสตัณหาเข้าไปรับรองทุกข์แน่นอนอยากพนกก้นทุกข์ก็เจริญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปรับรองพ้นแน่น อ, น, นะอนนี้คือความจริงแท้คืออริยสัจ พระพุธเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันอะไรที่เรามาพูดกันทีหลังเนี่ยธรรมะทั้งหมดรวมลงในอริยสัจสี่เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งโลกเนี่ยรวมลงไปในรอยเท้าช้างได้เพราะในยุค ข, ของเรานี้ช้างตัวใหญ่ที่สุดนะพวกที่มีเท้าเท้าช้างใหญ่ที่สุดงั้นอย่างเท้าของคนนะรวมลงไปในรอยเท้าช้างได้ไหมเหยียบลงไปยังอยู่ในรอยเท้าช้างได้ ธรรมะทั้งหมดแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นรวมลงในอริยสัจสี่นี่เองถ้ารู้อริยสัจสี่ก็คือรู้ธรรมะทั้งหมดละหัวใจมันอยู่ตรงนี้จะรู้อริยสัจสี่ได้ต้องทำยังไงต้องรู้หน้าที่ต่อทุกและสมุทยัยต่อ น, นิโรธและมักทุกคือขันธ์ห้ารูปนามกายใจหน้าที่ต่อทุกคือรู้อย่างที่มันเป็นสมุทัยคือตัวตัณหาเป็นตัวเหตุ หน้าที่ต่อมันคือละมันเสียอย่าตามใจตัณหาต้องละมันเสียหน้าที่ต่อมักนะคือเจริญเจริญศีลสมาธิปัญญาและหน้าที่ต่อ น, นิโรธยังไม่ได้ทำอะไรแค่เข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปสัมผัสเรียกว่าสัจจิกิริยาเข้าไปเห็นความจริงแท้สภาวะที่จริงแท้ของนิโรธในนิพพาน เราจะเข้าถึงสภาวะของนิพพานได้จะเห็นแจ้งพระนิพพานได้อาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุนี่จเจริญ อ, อย่างนี้วันใดที่รู้แจ้งอริยสัจวันนั้นจะเป็นพระอระหันต์ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังเบียนบายตายเกิดพระพุทธเจ้าพูดไปเองบอกกับพระานุนนะ่ะท่านพูดเองถ้ายังแต่ใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจยังไม่พ้นวัตต์ยังพ้นไม่ได้ การจะรู้แจ้งอริยศัสตร์ทำยังไงมีงานทั้งสี่งานต้องรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมีทั้งสี่งานทําได้ยังไงหัวใจจริงๆอยู่ที่อันแรกนี่เองเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธอัตโนมัติเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคอัตโนมัติ งั้หัวใจสําคัญของการปฏิบัติก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่สรงสมาธิที่ถูกต้องจิตที่ตั้งมัน่นไม่ใช่สงบเฉยๆนะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่เป็นกลางก็คลอนแคลนทีหลังถ้าตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยจะเดินปัญญาได้จริงๆ เครื่องมือคือจิตนี่เองเรียนรู้ลงไปที่จิตถ้ารู้ลงไปที่จิตแล้วจะรู้ขันห้าทั้งหมดเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิตเรียนเข้ามาที่แก่นเลยได้จิตก็ได้แก่นนะไม่ได้จิตก็ไม่ได้แก่นคุณแจของการปฏิบัติอยู่ตรงจิตนี่เองจิตเป็นตัวทุก เันจิตอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อจิตคืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรคือรู้เพราะนนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไม่ใช่หน้าที่ละจิตนะไม่ใช่หน้าที่ควบคุมจิตแต่มีหน้าที่รู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะถ้าได้ตัวนี้ก็รัดสั้นที่สุดแล้วการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติ ที่รัดสั้นที่สุดเพราะกิเลสเกิดที่จิตอุสนเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยแต่บางคนเข้ามาที่จิตไม่อยู่ได้กำลังไม่พอก็มาดูที่กายมาดูที่กายก่อนกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านถ้าเราอยากหาเจ้าของบ้านแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านมันไปอยู่ที่ไหนไปเฝ้าหน้าบ้านมันไว้ คอยรู้กายไว้แล้วจะเห็นจิตหลวงปู่มั่นถึงสอนนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะทำความสงบเข้ามาให้จิตมีแรงงั้นดูจิตได้งานแรกเลยถ้าดูจิตได้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้มาถึงขั้นที่สองหย่อนลงมาหน่อย ก็คือมาดูกายอย่างที่กายเป็นถ้าดูกายก็ไม่มีแรงทำสมถะพุโทโธไปหายใจไปจิตจะมีกำลังขึ้นมากลับไปดูจิตได้อีกการปฏิบัติเนีเวียนอยู่อย่างนี้วนเวียนไปแต่บางคนดูจิตไม่ได้เริ่มจากกายก่อ น, นดูกายไปไม่ผิดคล้ายๆหาเจ้าของบ้านไม่ได้ก็ไปเฝ้าบ้านมันไว้ก่อน เดี๋ยวก็เจอเจ้าของครูบาอาจารย์ท่านเรียกจิตผู้รู้ว่าจิตเจ้าของครูบาอาจารย์วัดป่าลุ้นเก่าบางทีเรียกตัวจิตผู้รู้เนี่ยว่าจิตเจ้าของบางทีเรียกจิตผู้รู้จิตเป็นเจ้าของอะไรจิตเจ้าของบ้านจิตเป็นเจ้าของกันห้านี่เองดูลงไปที่กายดูบ้านมันเดี๋ยวก็เจอจิตเจ้าของถ้าดูจิตเจ้าของได้แล้ว สังเกตมันอย่าไปบังคับให้มันนิ่งปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเราก็จะเห็นจิตนี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวไปตูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสที่ร่างกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเลือกไม่ได้มันทำงานของมันได้เองกระทั่งจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วยังเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลยิ่งไม่ได้ใหญ่อันนี้ก็พระพุทธเจ้าบอกเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลไดนะ้จิตบรรลุ ข, ของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่ เมื่อเราภาวนานะจนเห็นความจริงของจิตแล้วปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยเรียกว่าเรารู้อริยสัจจบอริยสัจละหลวงปู่ดนท่านใช้คําว่าอาริยสัจแห่งจิตบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทยัยเห็นจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยการส่งออกนอกคือตัวตัณหามันทยานตัณหาเนี่ยภาษาไทยแปลว่าความทยานอยากไม่ใช่อยากเฉยๆนะ มันทยานอยากนะเวลาอยากเนี่ยจิตมันทยานออกไปนะนคำของคนโบราณนะตรงเป๊ะเลยกับการปฏิบัติจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยนี่จิตที่ทะยานอยากมันก็วิ่งออกไปออกนอกมันวิ่งไปไหนวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งไปคิดนี่ยออกนอกนะอย่านึกว่าวิ่งไปคิดไม่ออกนอกะเคลื่อนออกไปเมื่อไหร่ออกนอกหมดแล้ว จิตออกนอกมันทยานออกไปทําไมมันทยานออกไปดูรูปเพราะมันอยากเห็นรูปทําไมมันทยานไปฟังเสียงเพราะมันอยากได้ยินเสียงเห็นไหมมันมีตัณหาอยู่มันถึงทยานเลยเรียกว่าทยานอยากไม่ใช่อยากเฉยๆเราอยากเฉยๆไม่มีผิดสงนะแต่อยากแล้วทยานออกไปด้วยมีความอยากมายั่วจิตเท่าทะยานออกไปทยานออกไปทําอะไรทยานออกไปยึด ยึดอะไรยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงที่จิตไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติยึดตาก็เรียกว่าชาติเกิดแล้วยึดหูก็เรียกว่าชาติทันทีที่ยึดทุ ก, ก็ตามมาทันทีเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือตัวทุกรูปนามนี้คือตัวทุกเขาปี๋ปเอาตัวทุกข์เข้ามาเองโง่อเองไปหาเหามาใส่หัวตัวเองนะ งันถ้าเข้าใจจิตดวงเดียวนะจิตรู้ความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากให้จิตเป็นสุขไม่มีความอยากให้จิตพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้จิตดีไม่มีความอยากให้จิตไม่ชั่วไม่มีเมื่อความอยากไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตจะไม่มีจิตจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสงบสันติ นิพพานนะมีสันติลักษณะนิพพานสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งนะสงบจากขันพ้นออกจากขันหลุดออกจากขันเป็นวิมุตติหมดความดิ้นรนหิวโหวยหมดความหิวโหวยหมดความอยากเรียกว่าวิราคะ หมดความปลุกแต่งเรียกว่าวิสังขารวิมุดวิราคะวิสังขานิโรธสันติเหล่านี้คือชื่อของพันิพัน์มีชื่อหลายชื่อเนื่อวันใดที่เห็นความจริงของจิตว่ามันคือตัวทุกข์แล้วปล่อยวางได้วันนั้นเรียกว่าศีนสมาธิปัญญาตเต็มแนละ้ว นิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี่เองนิพพานไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะไม่ใช่เข้านิพพานพูดมั่วๆเข้านิพพานนิพพานที่เข้าได้ก็ยังออกมาได้อีกนะั่นั้นไม่ใช่พูดหรอกนันเป็นเรื่องของการเข้าฌานเข้าเข้าออกๆนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุติ คืตายไม่มีอุบตัติคือเกิดนะการจะมาแจ้งพระนิพพานได้เนี่ต้องสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาได้เพราะรู้ทุกการรู้ทุกนั่นแหละคือการเจริญมัจย์เห็นะไหมมันโยงกันนะการรู้ทุกนั่นแหละคือการเจริญมัจเรียนรู้ไปเรยในสุดศีลสมาธิปัญญาผสมบูลขึ้นมา มีสติคอยรู้ใจตัวเองสิศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดแน่นอนพอมันเต็มมันทวางตัวทุกือวางตัวจิตหมดตัณหาหมดความดิ้นรนเข้าถึงธาตุธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ไม่ใช่จิตผู้รู้นะคนละชั้นกันถึงอมตะธาตุอมตธรรม การรู้ทุกการรู้กายรู้ใจเนะคือคุณแจเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องได้จิตมาก่อนมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะนี่ขีของมันในการปฏิบัติอยู่ตรงนี้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูกายดูใจเขาแสดงใจรักไปก็นะจะรู้ทุกแจ่มแจ้งรู้แล้วก็วางวางแล้วก็เจอผลิพานผลทุกแล้วแค่นี้แหละยากไหม หลวงปู่ดนเคยบอกการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยหลวงพู่ฟันธงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ายากนะั่นแหะนะไอพ้พวกไม่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันจะยากอะไรล่ะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วดูธาตุดูขันก็ทํางานต่อไปอย่างเห็นจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวทุกข์อนะไรเนี่ย ดูไเรื่จิตเป็นคนดูสบายๆไปถึงวันหนึ่งก็รู้แจ้งรู้แจ้งก็ปล่อยวางจิตที่สุดของทุกอยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตนั่นแหละปล่อยวางกายยังไม้พน้นยังยึดจิตอยู่แต่อยู่ๆพี่มาปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยไม่ได้เมื่อต้องผ่านปล่อยวางกายมาก่อนไน้อนาคาซะก่อนสิ่งจะได้พระอรหันต์ไม่ยากยากเฉพาคนที่ไม่ทำเท่านั้นแหละ เห็นไหมหลวงพ่อปิดช่องทางโต้เถียงไปเลยนี่มาเถียงยากยากลวงปู ด, ดุลบอกไม่ยากหลวงพ่อก็ไม่เห็นว่ามันจะยากอะไรเลยอย่าใจลอยแล้วก็อย่าแทรกแซงบังคับกายบังคับใจถ้าไม่ใจลอยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทําทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามก็เกิดกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราได้โสดาแล้วเห็นจะยากเลย ดูไปเรื่อยๆโอ้กายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยได้อนาคาต่อไปโอ้จิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยก็จบกันตรงนั้นแล้วทำลายจิตลงไปกลายเป็นธาตุธ า, าตุรู้สมเด็จญาณท่านเรียกมิญญานธาตุหลวงตามหาบัวเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ ด, ดนท่านเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทสเรียกว่าใจหลวงปู่บุตราเรียกว่าใจเดียว มีหลายภาษาแต่ธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละทันพูดไม่เหมือนกันแต่ไม่ทะเลาะ ก, กันเพราะว่ารู้เรื่องกันภาษาไม่ค่อยสื่อธรรมะที่แท้หรไปฝึกเอานะฝึกเอารับปากไหมว่าจะไปฝึกเอากลับไปได้แล้วก็จะไปฝึกแล้วนี่ามานั่งอยู่ทำอะไร <laughs> จะส่งกันบ้านเปล่า ให้พวกอยู่วัดก่อนส่งกันบ้านกาบนบมั ส, สการ์ค่ะหลวงพ่อเอาย่อๆตรงไปตรงมาประคองจิตอยู่รู้สึกไหมแก้งทำจิตให้ซึมๆทำอย่างเงี้ยทำไปทำไมทำให้ใหใหหลั บ, บากเราเปล่าปล่อยให้มันกระดุกกระดิกออกมาทำไม่ได้หรอกเห็นไหมร่างกายนี้นั่งอยู่ เห็นไหมร่างกายยกมือยกไม้เห็นไหมร่างกายพูดดูไปเรื่อยๆให้กันบ้านแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไปไม่ต้องสงสัยมากกล่าวน้ำพระสกาคนะหลวงพ่อหนูฟงทรานะคะหลวงพ่อรู้หนูพูดถูกหนูไม่ได้โกหกใช้ได้ ฟุ้งซ่านแล้วทําไงดีจะตอบก็กลัวหลวงพ่อว่ากลางตําลาบอาฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเจ้ค่ะหนูดูไปฟุ้งซ่านแล้วเรารําคาญฟุ้งซ่านแล้วรําคาญใจรู้ว่ารําคาญฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่รําคาญใจก็เป็นกลางดูไปจิตมันฟุ้งซ่าน เรามีหน้าที่รู้ส่วนจิตมีหน้าที่แสดงต่อไปเราก็จะเห็นเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เองหนูดูออกไหมจิตมันฟุ้งส่านได้เองตรงนั้นแหละคือธรรมะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ฟุ้งส่านได้เองจิตนี้หนีไปคิดได้เองจิตนี้วิ่งไปดูได้เองจิตนี้วิ่งไปฟังได้เองจิตนี้สุขทุกข์ได้เองดีชั่วด้เองสงบฟุงซ่านได้เองนะ ดูลงไปเรื่อยๆจิตนี้ทำงานได้เองไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> เหลอส่งไป <c oughs> ถ้าไม่ส่งกันบ้านก็ไม่ต้องไปเขี่ยวเข็นเขานะกลับน้ำส ก, การหลวงพ่ อ, รอครับเมื่อช่วงเช้าที่หลวงพ่อเทศมีส่วนหนึ่งที่ตรงกับในใจผมหลังจาก ผมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะนึกถึงสิ่งที่มีความสุขนึกถึงในหลวงหลอกก้าวแล้วก็บุญกุศลให้คุณแม่อืผู้มีพมระคุณนะครับแต่ระหว่างไปรบริกรรมพุทโธไปเนี่ยพบว่าบางครั้งเนี่ยมันเผลอเผล อ, อคิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องอื่นๆปุ๊บเนี่ยโทสะหลายๆครั้งเกิดขึ้นที่เราปฏิบัตินั้นถูกแล้วนะครับเราพุทโธเพื่อจะรู้ว่ามันเผลอไปแล้วนะแล้วกิเลสเกิดเรารู้ว่ามีกิเลส น, นั่นแหละวัตถุประสงค์ที่เราพุโทโธแล้วไม่ให้พุโทโธให้จิตสงบเฉยๆนะใพราะนั้นตื่นไปไปทำอีกไปของคุณนะยังฟุ้งซ่านเยอะอยู่เงินพุโทโธในชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรทำก็พุโทโธไปเรื่อยๆแต่พุโทโธโดยไม่น้อมจิตให้นิ่งนะพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตใจไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะอย่างนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหม เออไปครับไปทำเอาต่อไปไม่เอามีอีกไหมยัยงเพลงอยู่ค่ะอืมดีที่รู้เพลงไม่มากแล้วล่ะรู้สึกเปล่าเมื่อก่อนเพงหน้าอกจะแตกแตอนนี้เบาแล้วดีขึ้นเยอะแล้วรู้เอาทำไมเพงเพราะว่าโลบ อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีจะไปเพ่งนะถ้ามีสติรู้ทานว่าโลภมันก็ไม่โลภมันก็ไม่เพ่งไม่เพ่งมันก็ไม่อึดอัดนะถ้าเพ่งแล้วมันก็อึดอัดถ้าโลภขึ้นมามันก็เพ่งนั่นแหละถ้ามันไม่ได้มีกิเลสนะคือความโลภมีกรรมคือการเพ่งมีไม่บากคือความอึดอัดทุกวนะนเวียนอยู่เท่านี้เอง ต่อไปใครจะส่งันบ้านยกมือผมว่ามาครับขอหลวงพ่อชี้แจนผมตัวนี้ปฏิบัิเบียังไงขาดอะไรอยู่ฮะอะไรนะตัวนี้ขาดอะไรอยู่ขาดสติขาดสติ <laughs> ร, รู้สึกไหมตอนที่คิดตอนที่พูดเห็นไหมมันลืม ที่ฝึกใช้ได้นะฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติมันก็จะเร็วขึ้นจิตใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวได้เยอะขึ้นเรียกว่าตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานสุดท้ายปัญญาก็เกิดกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราครับนี่คนจีนนะพูดไทยชัดกว่าคนไทยหลายๆคนหลวงพ่อชมเลยเนี่ยคนจีนแต่พูดไทยชัดยิ่งกว่าเด็กสมัยนี้ หลวงพ่อได้ยินเด็กคุยกันนะฟังไม่ออก <laughs> พูดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ดีเขาถามว่าจิตเข้าฐานหรื อ, อยังคะเขาคือใครอ๋อคนนี้เพ่งอยู่เข้าฐานแต่เข้ามาด้วยการเพ่งเอาไว้คล้ายๆอ ย, ย่างเจตนาที่จะให้มันดีอะ ยังไม่เช้าหลวงพ่อสอนแล้วนะจิต ท, ที่เป็นกุศลนะบางดวงกเจตนาทำขึ้นมาเจตนารู้สึกอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มัน้ายังไม่ดีเต็มที่ยังจงใจยังเพ่งอยู่สังเกตไหมตอนที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจิตหนีไปคิดจิตแอบไปคิดไประยะระยะจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆคิดได้นะต้องคิดนะให้มันคิดไป แต่พอมันคิดไปแล้วจิตเราเผลอไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ทันคิดเรารู้คิดเรารู้ฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกไม่ให้คิดน่ะไปฝึกเอาไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ฝึกตรงนี้นี่นกกระว่ากามธรรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้สภาวะจิตของหนูเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องฝึก<น>อะไร<น>เพิ่มเติมหนูนะนเพ่งอยู่นิดนึงนะยังเพ่งอยู่มันยังทื่อๆ อ, อยู่ดูออกไหมจิตมันแข็งทื่อนะใจกล้าๆน้อยไม่ดีก็ได้นะไม่ต้องกลัวกิเลสมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีกว่ากลัวกิเลสเลยจ้องจิตให้นิ่งๆอยู่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่สุดดีที่สุด เน่อตอนนี้ ALLY จิตไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ะนั่นอย่างนั้นน่ะฝึกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ฝึกอย่างเงี้ยนะแล้วไปคิดละเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะนั่นแหละไปฝึกอย่างนั้นน่ะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปอย่างนั้นละทํากรรมฐานแว้สัอย่างนะพุทโธพุทโธก็ได้แล้วจิตเผลอไปคิดแล้วรู้จิตเผลอไปคิดแล้วรู้ฝึก่งนี้ให้มากๆ กลับน้ำระสการหลวงพ่อค่ะอหนูขอโอกาสให้ส่งกรับบานให้คุณพ่อได้ไหมคะคุณพ่อมาไหมคุณพ่อนั่งอยู่นอกศาลาค่ะพระเอิญไม่มีที่นั่งข้างในแต่ว่าหนูอยากขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนําคุณพ่อเพราะว่าท่านมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่เพราะกาลังจะต้องให้เคมีว่าหลวงพ่อต้องเห็นหน้าหน่อยนะถูกไหมให้ดูสักนิดนึงก็ยังดี คือคุ ณ, คณพ่อกำลังจะต้องให้คีโมเพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่งทราบว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามอะคะ่ะอยากจะขอที่กระเพะาะปัสสาวะคะ่ะเลยอยากจะข อ, ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยกรุณาเอาไม่ไม่ต้องเข้ามาแล้วลนะ่ะที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่นะไม่ต้องไปบังคับตัวเอง สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆใจเราสบายรู้ว่าสบายใจปลอดโปร่งรู้ว่าปลอดโปร่งใจกังวลรู้ว่ากังวลรู้ทันความรู้สึกของใจไปพื้นฐานดีนะแล้วหนูควรจะเปิดซีดีหลวงพ่อให้ท่านฟังเวลาทำคีโมหรือว่าหลังผ่าตัดไหมคะพ่ อ, พ, อพ่อลำคาญก็ไม่ต้องเปิดนะถ้าไม่ลำคาญก็เปิด กลัวว่ารำคาญจะไม่กล้าบอกว่ารำคาญไม่บอกต้องตรงไปตรงมาเราพ่อก็เคยไปให้คีโมเมื่อปี 59, ห้าเก้าไปอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่วัดอีกให้คีโมไปยังมีความสุขสบายไม่ต้องสอนโยมสบาย <laughs> ของหนูไปดูใจที่ฟุ้งซ่าน ใจที่ห่วงคนพ่อใจกังวลไปดูพวกนั้นแหละดูของที่เรามีจริงๆริักาบนมัสการหลวงพ่อค่ะติดเพ่งค่ะหลวงพ่อเพ่งทั้งทั้งจิตแล้วก็เพ่งทั้งกายด้วยค่ะเพ่งน้อยลงแล้วล่ะอ่ะค่ะมามาคอ้อนนี้แล้วก็เพ่งน้อยลงค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะมาถูกทางแล้วเพ่งนั้นได้แต่ความลำบากไม่ได้อะไรหรอก ปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้จิตทํางานแล้วเรามีสติตามรู้ไปนะใจเป็นคนดูสบายๆเราจะได้ปัญญาะจะเห็นความจริงดีขึ้นแล้วล่ ะ, ละแล้วออกรรมฐานที่ใช้อยู่นี้ใช้ได้ไหมคะชอบชอบนับตัวเลขนะคะ<ด>เวลาเวลาเดินแล้วก็นับหนึ่งสองสามได้ใช้ได้นับตัวเลขแล้วก็รู้ทันใจตัวเองนะเนับตัวเลขให้จิตสงบตอนนี้ตอนนี้ทําอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะ ือคือนับตัวเลขแล้วทำให้จิสตสงบอยู่ยางแต่งอยู่อ๋อค่ะคือในช่วงสองสามเดือนนี้การงานมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าภาวนาได้ดีในเวลาทำงานอยากขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าควรทำอย่างไรให้เข้มข้นขึ้นคือตอนเช้านั่งสมาธิได้ค่อนข้างดีแต่กลางคืนรู้สึกเหนื่อยและย่อหย่อนอยากเสพสุขขอคาแนะนานด้วยค่ะ เหนื่อยก็ไปนอนสิเหนื่อยจะไปเสพสุขทำไมรีบๆนอนไยจะได้มีแรงตื่นขึ้นมาภาวนานะใจยังฟงุ้งอยู่นะใจดีขึ้นแหละตัวรู้มันก็ดีขึ้นแต่ใจยังฟงุ้งซ่านเก่งอยู่งั้นหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธอะไรก็ได้ แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราหนีไปคิดเราก็รู้หนีไปคิดเราก็รู้จิตหนีไปคิดเก่งนะเพราะมันฟุ้งซ่านเก่งไม่ต้องไปห้ามมันนะอย่าไปเสียใจว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้นั่นก็คือการเจริญปัญญาไม่ต้องสงบต่อไป หนูมีปัญหาตอนที่ว่านั่งสมาธิอะค่ะแล้วตัวเอ็นไปข้างหน้าจนมันปวดกระเบนเน็บต้องดึงจับมีบางท่านบอกว่าให้ปล่อยไปเลยบางท่านบอกว่าให้ดึงจับอะค่ะอืช่วงสามสิบปีหนูไม่ทราบคือนั่งปุ๊บเราก็ไอ้ตัวเอ็นไปข้างหน้า <c oughs> เองอะค่ะนั่นแหละใส่ซีดเบลว้ไม่เห็นยากเลย <c oughs> <c oughs> งอไปมากๆ เดี๋ยวกระดูกเสียนะจุดสำคัญนะอยู่ที่มีสติบางคนมันก็ล้มลงไปไงั้นนะบางคนนะเหยียดแข้งเหยียดขาไปไม่รู้ตัวเลยแต่สติไม่ขาดถ้ายังมีสติอยู่นะถือว่าใช้ได้แต่การที่หลวงพ่อบอกหาอะไรมามัดไวนะ้น่ะเพื่อจะได้รักษากระดูกไม่ใช่รักษาจิตหรอกอย่าไปประคองจิตให้นิ่ง อย่างติดการประครองอยู่ดูออกไหมดูออกค่ะว่าชอบบังคับบังคับจิตเวลาจิตคิดออกนอกรูนอกทางก็จะพยายามดึงกลับมาค่ะไม่เฉพาะบังคับจิตหรอกบังคับคนอื่นด้วยบังคับคนอื่นให้น้อยๆนะ <c oughs> จิตเราเราก็ไม่บังคับเราคอยเรียนรู้มันไปนะงั้นเรามาตรฐานสูงจะ ม, มีปัญหา ค่ะแล้วก็ช่ว ง, วงช่วงนี้เวลาเดินก็เหมือนบังคับตัวเองพอนึกได้ก็เหมือนว่าให้พุทโธก้าวอย่างเงี้ยค่ะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกแต่ว่าจะไปบังคับมากนะจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงไปแค่นั้นเอแล้วไม่ต้องห้ามหลงนะก็ช่วงประมาณขบันดาปีหกศูนนะครับนั่งๆแล้วก็สบายๆก็เผลอหลับไปครับ พอรู้สติอีกทีก็เหมือนสภาวะอะไรสักอย่างขวางจิตอยู่จะลงเข้าไปดิ้นเคยลงเข้าไปดิ้นแล้วตูไม่ได้จิตก็พอรู้ปุ๊บก็ดิ่งเฉยด้วยอพอเฉยแล้วก็มันก็หายไปหาแล้วก็รวมเข้าสว่างไปเลยอรัดูไปทุกสิ่งทุกอย่างแค่แค่ของถูกรู้นะ<อ>ไม่ต้องไปวิจัยวิจารณ์วิพากเหมืนอนนี่คืออะไรดีไม่ดีอะไรไม่จําเป็นเลย รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วมันก็จะดับให้ดุจิตไม่ดิ้นรนจิตก็สงบสว่างสอาดสบายไปฝึกไปของผู้หญิงต่เคี้ยยังติดเพลงนาเพลงแรงไปร้องเพลงเป็นไหมร้องบ้างแต่ร้องก็ระวังอย่าไปกวนคนอื่นเยอะนะ นมรด ก, การหลวงพ่อสองกันบ้านครับรู้สึกว่ามีสติดีขึ้นครับในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะแล้วก็ปกติดูรู้กับหลงแล้วก็หลังๆพอที่เราพยายามใส่การหายใจเข้ามามันก็ตอนนี้มันติดเป็นติดเป็นนิสัยมันรู้สึกว่าดีขึ้นครับแต่ว่าสังเกตว่าอย่างสมมุติอะไรก็ตามซึ่งมันมีเราต้องไปทํากิจกรรมซึ่งมันไม่อยู่ในตามชีวิตประจําวันเช่นออกไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยรู้สึกว่า โอกาสที่จะรู้ตัวเนี่ยมันมันน้อยลงเท่ากับเราเข้าใจผิดนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนนั่นแหละใช้ชีวิตประจําวันอะแต่ละวันไม่กินข้าวครับหมายถึงว่าเป็นเพื่อนที่ <c oughs> ไม่เคยเจอมานานจะถ้าเราอย่างเวลาในที่ทํางานเนี่ยเราเดินไปเดินมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันรู้ตัวได้เยอะกว่าฝึกเข้าไปฝึกบ่อยๆแต่ไปอยู่ตรงไหนก็รู้ตัวได้ครับแล้วก็มีอีกสองคำถามครับหลวงพออ่อเเวลาทําสมาธิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเข้าได้สองแบบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ดูแบบแรกรู้สึกว่ามันมันมีสติแต่มันจะมันจะแข็งแข็งนิดหน่อยแบบที่สองรู้สึกว่าจิตมันขยายแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับมันดําดิ่งลงไปรู้สึกมันกว้างออกมาแต่ว่าพอทำไปทาไปบ้างๆเนี่ยมันมันเกือบจะเคลิมแต่มันยังไม่เคลิมแต่ตรงเนี้ยพอทําไปบ้างๆแล้วตัวนิมิตมันจะขึ้นมาง่ายครับขออนุญาตทําให้ดูได้ไหมครับไม่ต้องหรอกรู้เรื่องก็ เลยไม่แน่ใจว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเพ่งไปแล้วอันที่สองเนี่ยมันจะมันจะเคลิ้มไปหรือเปล่าทําแบบที่สองก็ได้นะแต่เพิ่มสติขึ้นจิตเป็นไงก็ช่างมันแต่มีสติไวจนกระทั่ทงความรู้สึกตัวเกือบจะหมดนะแต่ไม่หมดอนะ่ะยังมีสติเหลืออยู่แล้วถัดจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นจิตไม่หลงตามมันไป ฝึกอย่างนั้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยส่วนไหนนั่งเครียดเครียดเลยไม่ได้เรื่องอะ่ะคือก็เลยทําแบบที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างหลวงหลวงพ่อเคยเคยเล่าให้ฟังว่า พ, อ, พอจำพอจะเคลิมไปเนี่ยหลวงพ่อหายใจเอาให้ให้ให้มันเร็วขึ้นแต่นี้ผมรู้สึกว่าผมเคลิ้มบ่อยผมก็เลยนะับเป็นพอ น, นับห้าการหายใจผมก็หายใจเร็วๆสักชุดหนึ่งแล้วก็ทํา ท, ทุกห้าครั้งทุกห้าครั้งลีลาเยอะไป <laughs> ถ้ามันยังไม่ทันจะเคลิบนะจิตอาจจะรวมแล้วก็รีบไปหายใจขึ้นมาเลยไม่รวมสักทีนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่มันจะขาดสตียนค่อยหายใจแรงๆนะไม่ใช่ห้าครั้งหายใจธรรมดาหาครั้งแรงครั้งหนึ่งอนะไรอยเงี้ยจิตไม่สงบหรอกนะครับแล้วก็ข้อสองข้อสุดท้ายครับรผมอันนี้ไม่แน่ใจอย่างสมมติเวลาเราปวดปวดแขนหรือปวดขาเนี่ยการที่เราทําให้จิตสมมุติออกจาก จุดที่มันปวดเนี่ยสมมติมาโฟกัสอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอืหรือว่าสมมุติเราเป็นไข้หวัดธรรมดาซึ่งมันหายเองได้แล้วเราเร า, เราไม่ต้องกินยาเราดูว่ามันหายเองเนี่ยการที่เราโฟกัสจิตที่อื่นหรือการที่กินยาเนี่ยมันถือว่าเป็นการหนีทุกข์แทนที่จะรู้ทุกข์ไหมครับโฟกัสที่อื่นนั่นแหละหนีทุกข์จุดอ่อนบอกให้เลยปัญญามันล้ําไปดูสภาวะไปเรื่อยๆโง่วกว่านี้หน่อย ปัญญามันล้ําไปมันคอยคิดค้นคว้าวิจัยไปเรื่อยนะว่าอันไหนจะดีอันไหนจะไม่ดีอะไรเงี้ยอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่ า, น น, วานนี้อะไรไม่ต้องคิดมากนะรู้ซื่อๆรู้โง่ๆแล้วดีฉลาดเกินไปเรียนกรรมฐานยากนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอื ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจได้ไามรู้สึกไหมว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมดูออกไห ม, มไม่เคอยออกจ้าจิตใจเดี๋ยวเนี้ยกับจิตใจแต่ก่อนนะไม่เหมือนกันหรอกนะจ้าค่ะ ร, รอบนี้คือมาส่งการ้าหนุ่มพ่อครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจมากเพราะหนูอยู่ไกลเจ้าค่ะอยู่อจัจจิณานะใกลจริงใกล้มากเจ้าค่ะคือเอา คือหนูมีคำถามสองสามคำถามอยากจะขอถามค่ะข้อแรกก็คือว่าหนูเป็นคนคิดมากเวลานอนก็ย right like. ังค right ิดก็เลยเอาไปฝันฝันร้ายแล้วก็ฝันเยอะสวดมนต์ไปนอนสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันหลับไปแล้วบวกกับหลวงพ่อเคยเตือนว่าถ้าถ้าฝันร้ายอยู่ก็มีโอกาสไปทุกริตทุดีพุ่มเอจะกลัวมากนะ ถ้าจะมันจะไปจริงไทยจะไปห้ามมันได้ไิกลัวมั น, นะะมีสติมากๆอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ไปอบายหรอกให้จิตมันคุ้นเคยกับความรู้สึกตัวน ะ, น ะ, ะเดี๋ยวตอนจะตายเห็นนรกไฟเยวเลยจิตตกใจรู้ว่าตกใจปุ๊บนั้นนรกดับเลยไม่ต้องกลัวภาวนาไปะคะ่ะแล้วทีนี้ควรจะดูดูกายหรือดูจิต ด, ดีค่ะหลวงพ่อเวลาหนฝนปฏบดูบดูกาย ดูร่างกายทํางานไปเหมือนดูคนอื่นนะอย่าไปเพ่งกายนะที่ฝึกมามันเพ่งมากไปนิดนึงใจมันท<จ>ื่อๆเจ้าค่ะรู้สึกว่าใจเครียดๆเหมือนกันและเจ้ า, จาค่ะเวลาพเพ่งมากไปแค่รู้สึกแค่รู้สึ ก, สกว่าเนี่ยร่างกายกําลังพยักหน้าร่างกายกําลังพูดร่างกายกําลังยกมืออะไรเงี้ยแค่รู้สึกดีกรีของมันคือแค่รู้สึกไม่ใช่นั่งจ้องถ้าจ้องเราจะเครียดเจ้าค่ะเพราะฉนี้ อย่างนั้นใจมันอยากพูดปุ๊บขึ้นมาดูออกไหมนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่าดูจิต<น>ะเมื่อกี้เห็นนะใช่ไหม<ค>เพราะว่าฝัใจมันอยากพูดไหวขึ้นมาปุ๊บเราไปเห็นมั น, นตัวนั้นเรียกว่าการดูจิตนะให้ความรู้สึกเกิดอย่างมันอยากพูดเกิดขึ้นมารู้ว่าอยากแล้วเห็นไหมมันดับได้เองนั่นแหละมันแสดงใจรักตรงนั้นนี้ดูร่างกายไปแล้วเราจะเห็นจิตมันทํางานได้ แล้วทีนี้ที่หลวงพ่อว่าถ้าใจมันลอยไปเราเราเราเร า, เรามีสติคิดได้ว่าใจใจลอยไปแล้วแล้วเราจะดูยังไงว่าเราดึงจิตตัวนั้นกลับมาหรือล่าถ้ า, ถาดึงเมื่อไหร่ใจฉันแน่นนะถ้ามีาการดึงเกิดขึ้นจิตจะแน่นๆแน่นทิ้งมั น, ปนไปเลยตัวที่ลอยไม่ต้องไปเอาคืนนะะมันมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วคือจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้ใจลอยไปเนะจ้าค่ะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะคือ ถ้าสัวเราปฏิบัติแต่ว่าสามีเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยเนี่ยเราจะทํายังไงให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุขเจ้าคขะเราก็ปฏิบัติแบบไม่ให้เขารู้ว่าปฏิบัติไม่เห็นจะยากอะไรเลยเราปฏิบัติอยู่ที่จิตเราอะใครจะรู้ใช่ไหมเจ้าขะกราบนำสัาการบวชคุณเจ้าขะหลวงพ่อตอนปฏิบัตินะก็อยู่ในชีวิตธรรมดา น, นี่เองบางวันไปนั่งโต๊ะเขากินเลี้ยงกันเขากินเหล้า กินเหล้ากินไปเรากินกินก <c oughs> <c oughs> ลับเราก็คุยออกับเขาได้ใช่ไหมถ้าเขาบนเราโอ้ไม่ยอมกินเหล้าไปเจอพวกมิจฉาทิฏฐิอยากให้คนกินเหล้าหลวงพ่อไปชงเองเลยแต่ไม่ได้ชงเหล้าหรอกใส่โซดาลงไปนะเอาโค้งหยดไปสองสามหยดแล้วมาท้าชนกับมันลายไหนลา ย, ายน้ําแพ้เราหมดเลย ขออีกข้อหนึ่งจะห่างเพราะคือหนูเป็นคนลักษณะนี้เขาเซนซิทีฟคือถ้าพูดอะไรก็จะเสียงสั่นเคลือนจะร้องไห้ทำยังไงหนูจะสามารถทำไม่ได้รู้มันไปมันเป็นอย่างนี้แหละยอมรับสภาพไปเจ้าค่ะถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นเราก็จะทุกข์เราเปล่าเจ้าค่ะเสียงลูกเรือฟังดูเท่ดีต้องมองอย่างนี้สิ กล่าขอบคุณเชิค่ะน้าว่าไปกาวนมัส ก, การมาจากประเทศไหนอันเนี้ยอประเทศไทยค่ะน้ า, าว่าไปอฝึกเจริญสิทิีที่ฝึกนนะ่าใช้ได้นะทํามันได้ดีแล้วล่ะต่อไปก็ดูกายดูใจมันทํางานไปดูจิตก็ได้เนี่ยดูได้ทั้งใจทั้งใจน่ะนะ งั้นเวลาเห็นกายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายเวลาเห็นจิตใจก็ดูไปเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูตัวกายดูดูตัวใจนะแต่ดูไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอยู่ตลอดเวลาดูไปเรื่อยๆทุกปรากฏการมีไตรลักษณ์ซ่อนอยู่ไปดูตัวนี้แหละที่ทำอยู่ใช่ได้อยู่ที่ไหน เป่งอยู่รู้สึกไหมยังติดเพ่งนะอออค่ะเให้รู้ทันว่าจิตเราไปเพ่งค่ะแค่นี้ค่ะจะขอการบ้านหลวงพ่อท่านแหละไปดูไปเพ่งเพงก็รู้นะค่ะแล้วเพ่งก็รู้รู้ไปอย่างที่มันเป็นใจกังวลดูออกไหมกาบนาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าไงขอการบ้านเจ้าค่ะเออ ให้มาตั้งแต่เช้าแล้วไปทำเอารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ก็พอใช้ได้อยู่รู้สึกตัวไปร่างกายนี้เคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจสุขจิตใจทุกขจ์จิตใจดีจิตใจร้ายรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับให้นิ่งที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แต่สมาธิยังไม่ค่อยดีใจยังกระจายออกไปข้างนอกนะเง้นพุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธ ท, ทั้งวันเลย ไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบนะพุโทโธเล่นๆพุโทโธเป็นเครื่องอยู่พอจิตมันไปนีไปคิดแล้วอื่นมันจะลืมพุโทโธนัะนั้นเราพุโทโธจนชินนะพอจิตมันเลิกพุโทโธเราจะรู้โอ้หลงไปแล้วมันจะนไม่ได้ไม่หลงยาวแค่นั้นแหละภาวนานิพพานได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ท่องไปนิพพานนิพพาน ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มใสพวกเรานานๆเจ้าค่ะขอได้อยู่ได้ป่าไม่รู้ไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมโน่นอยู่ทางนั้นส่งกันบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะก็วันวันก่อนหนู เข้าใจธรรมะระหว่างที่กําลังกินข้าวเมามอยอยู่กับเพื่อนนะคะคือช่วงก่อนเนี่ยหนูมีความทุกข์เรื่องความรักเสร็จแล้วหนูก็เมากับเพื่อนว่า เ, เวลาที่เราไปดูดวงอะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพ้นสมมุติว่าพ้นวันเกิดไปจะมีความสุขเสร็จแล้วเราก็รอจนถึงวันเกิดพอพ้นวันเกิดเสร็จปุ๊บเราก็เอ็นนี่มันสุขแล้วเหรอ ER, เอ็นมันสุขแล้วเหรอ ER, จนกระทั่งเวลาผ่านไปสมมติบอว่าอาผ่านไปสามเดือนหกเดือนแล้วเดี๋ยวจะเจอช่วงถุกแล้วยังไม่ถึงวันมันก็ทุกข์มาก่อนละคะ่ะ แล้วเสร็จแล้วพอหนูก็พูดว่าเนี่ยมันเหมือนเราแบบวิ่งตามความสุขเท่าไหร่ก็ไม่ทนันถูกเสร็จแล้วคำพูดหลวงพ่อก็แวบเข้ามาในสมองหนูค่ะว่าให้อยู่กับปัจจุบนันออแล้วเสร็จแล้วหนูกําลังอ้าปากพูดอยู่เลยนะคะแต่ว่าจิตมันเข้าใจค่ะแล้วหนูก็มั น, ม, นมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เรายึดเอาไว้มันก็สลัดออกเนี่ยค่ะถูกคือมันเหมือนกับว่า เวลาเราถูกสมมติว่าเราส่งข้อความไปหาเขาแล้วเขาตอบมาเฉยๆอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้ถูกแค่ข้อความเทวตอบแต่มันหมายความว่าความหวังในอนาคตของเรามันพังทลาย อ, อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราพอเราเข้าใจว่าเราอยู่แค่กับปัจจุบันก็พออย่างเงี้ยค่ะ ม, มันก็มีความสุขขึ้นค่ะจริงที่จริงอยู่คนเดียวยังได้เลยค่ะแล้วก็ ก็ก็มีความสุขขึ้นค่ะหลวงพอ่อแล้วก็หนูก็จะขออนุญาตนั่งสมาธิให้หลวงพ่อช่วยแนะนานิดนึงค่ะเอางั้นเลยเหรอออานั่งไปแล้วส่งไมไปเลยไหมคะเออส่งไม้ไหนหนูที่นั่งสมาธิหายไปไหนละอ๋ออยู่นูนหนูเริ่มมันก็ผิดแล้วล่ะมันเริ่มจากการบังคับจิตรู้สึกไหม เดี๋ยวไปบังคับมันนั่งสมาธิขณะนี้นั่งอยู่แล้วแต่จิตไม่มีสมาธิเพราะจิตวิ่งไปวิ่งมาถ้ามีสติรู้ทันว่า น, นั่งอยู่แล้วแล้ ว, ลวจิตมันวิ่งไปวิ่งมารู้ว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาแค่นั้นสมาธิก็เกิดแล้วง่ายๆแค่นั้นแหละตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยง่ายๆแค่นี้หนูคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะแล้วสมาธิมันจะเกิดไปทาต่อไป <ใ>นวัฒนการครับหลวงพ่ออยู่ไหนอะ่ะให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยครับคือว่าปกติเวลานั่งในรูปแบบอ่ะครับคือเวลาบริกรรมคือบริกรรมพุดโธครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าแน่นแน่นแน่นแน่นอกมากๆครับอเลยไม่รู้ว่าจะใช้คํำในในการบริกรรมดีครับชอบคาไหนอะ่ะปกติก็ชอบพูดโธอยู่แล้วครับแล้วว่าพักหลังๆมานี้บริกรรมแล้วมันรู้สึกแน่นผิดปกติครับมันไม่ได้แน่นเพราะพูดโธ มันแน่นก็อยากอยากดีอยากสงบอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้สึกตัวเพราะงันรู้ทันใจที่อยากแล้วก็บริกรรมไปนะแต่บางคนไม่ชอบพุทธโธจริงบริกรรมพุทธโธแล้วอึดถ้านะงนั้นก็เปลี่ยนไปใช่อย่างอื่นได้เคยมีพระองค์หนึ่งนะรู้สิทธ์หลวงพ่อพุทธบริกรรมชื่อแฟนตัวเองแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อพุทธว่าเนี่ยแย่แล้วพุทธโธอยู่ดีๆนะทิ้งพระพุทธเจ้าไปหาแฟนแนละ้ว กับประเภทบวชแล้วเดี๋ยวศึกแล้วจะไปแต่งอนะ่ะมาบวชแค่แค่ติดสินบนพ่อแม่ให้ยินยอมให้แต่งงานนะหลวงพ่อพุธท่านบอกบริกรรมชื่อแฟนไปใจมันชอบคิดถึงแล้วมีความสุขนะท่านก็บริกรรมท่านไปเรื่อยนะแล้วในที่สุดก็เกิดนิมิตเห็นหน้าแฟนโผล่ขึ้นมาสวยสวยนะท่องชื่อไปเรื่อยๆไม่เลิกนะแฟนก็เริ่มแก่ให้ดูนะ เหีย่ยหว่เห ว, วล้มลงไปเน่าเลยะก็วิ่งมาเบาลงพระพุทธบอกว่าคราวนี้ท้องชื่อแฟนเขาไม่มีความสุขแล้วมันเน่าไปแล้วอะไรก็ได้คําบริกรรมอ่ะตัวสําคัญคือจิตไม่ใช่ตัวสําคัญอยู่ที่คําบริกรรมเอาคำบริกรรมที่มีความสุขสบายใจจิตก็จะสงบง่ายเท่านั้นแหละไปฝึกเอานะครับแล้วก็ เวลาที่เผื่อไปคิดนะครับชอ บ, ชอบชอบช่วยกลับมาก่อนแล้วค่อยรู้ว่าวรู้ว่าเผื่อไปคิดคนทำยังไงดีครับจิตที่หลงไปคิดนะมันก็ดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดเป็นอีกดวงหนึ่งจิตไม่ได้มีดวงเดียวเพราะงั้นไม่ต้องไปเอาคืนจิตที่หลงไปคิดเป็นอกุศลจิตไปเอาจิตอกุศลคืนทำไมทิ้งมันไปเลยนะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เป็นจิตที่เป็นกุศล มพันต่ไปนี้เวลาหลงไปคิดพอรูว้ว่าหลงไปคิดในขณะที่รูว้ว่าหลงไปคิดนะจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเอาคืนถ้าไปเอาคืนนะเริ่มวมงจรที่ผิดอีกรอบหนึ่งละ้ะครับแล้วก็ตอนที่นั่งในรูปแบบอะครับคือบางทีเราหลับตาแล้วนั่งไปใช่ไหมครับริ่มรู้สึกเหมือนเหมือนว่าอารมณ์มันเปลี่ยนนะครับมันเหมือนมันเข้าไปในห้องอะไรสักอย่างแล้วคําบริกรรมมันดังกล้องเหมือนดังกล้องอยู่ในห้องครับแล้วมันรู้สึก รู้สึกแปลกๆ ก, ก็เลยให้รู้ที่ใจครับรู้สึกแปลกๆรู้ว่ารู้สึกแปลกๆ ร, รู้ทันใจไว้อาการที่ปรากฏไม่มีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญคือใจเราเป็นยังไงภาวนาเอาใจเป็นหลักไว้เอาคนสุดท้ายอยู่ที่ไหนหนู้นท้ายห้องครับนันกมัธการค่ะลุงพ่ อ, อตั้งแต่หนูจะหลวงพ่อบอกว่าให้หนูเนี่ยมาดูจิต หนูดูจิตเนี่ยครั้งแรกไม่เป็นอาศัยฟังซีดีเนี่ยเข้าใจว่าเผลอไปแล้วรู้ใช้เวลาดูจิตอยู่เนี่ยประมาณสองปีปีต่อมาหนูฟังอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยดูที่พระเกศาพระพุทธรูปที่สูงสุดเนี่ยค่ะหนูก็ทำใจเพราะว่าอยู่ที่บ้าน ทำใจว่าอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วฟังอยู่หนูก็ไม่มีพระพุทธรูปดูก็ไปดูสุนัขที่อยู่ใกล้ๆหนูก็เห็นจิตเนี่ยมันออกจากลูกตามันไปที่สีดำๆแล้วมันก็วิ่งเล่นได้ด้วยนั่นแหละรู้ทันมันอย่างงั้นแหละถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันจะหนีไปลงนรกค่ะดูก็รู้ทันมันกะไม่เป็นไร ทีนี้เนี่ยถ้าหนูไปมองอะไรนานๆเนี่ยหนูจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันออกไปข้างนอกมันทิ้งร่างกายเอออย่าให้มันทิ้งร่างกายไปนะค่ะพยายมรู้สึกอยู่ในกายอย่าให้เกินกายออกไปอย่ไปดูข้างนอกค่ะดูอยู่ในตัวเองแล้วล อ, ลองไล่ลงไปดูตามกระดูกตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ภาวนาก็แบบเนี้ยล่ะค่ะปีถัดมาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติ หนูก็ดีใจมากหนูพ่อบอกคนอื่นมา้งเหนูหนูรู้สึกดีใจมากเลยว่าไม่ต้องปฏิบัติปฏิบัติไปก่อนแต่มันมีอยู่คำหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าที่หนูที่หนูฟังจากแผ่นนะคะอันไหนมันเด่นให้รู้อันนั้ น, อ, อ, อ, นอย่างนี้ใช้ได้สนะอันไหนเด่นให้รูนะ้อันนั้นอันนั้นแหละปฏิบัติ หนูก็อันไหนเด่นหนูก็รู้อันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณปีหนึ่งหนูก็สังเกตเห็นตัวเองว่าเวลาเดินก็รู้สึกตัวอะไรเด่นก็รู้ค่ะแต่สายตาของหนูเนี่ยคืออยู่ที่บ้านเนี่ยต้นไม้เยอะอืมันไปมองต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะอืมใบสีเขียวเขียวมองอยู่เดือนหนึ่งใบไม้มันเปลี่ยนสีอืมันแห้งมันร่วง ย้อนเข้ามาดูข้างในดูตัวเองทีนี้พอหนูเห็นใบไม้แห้งแล้วหนูก็นึกถึงเรื่องความตายอะค่ะออว่าต้นไม้ยังตายได้เลยเออในตัวหนูเนี่ยจะต้องตายเหมือนใบไม้ใช่พอคิดอย่างเงี้ยจิตมันก็สว่างขึ้นมาเอออย่างนั้นใช้ได้เป็นสมาธิพอมันพอมันสว่างขึ้นมาหนูก็ดูลงไปในความสว่างหนูก็เห็นจุดดําๆเล็กๆ แ ล, แล้วมันก็รู้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่ากาอืมซึ่งวามตอนนั้นหนูไม่เข้าใจความหมายว่ากามนั้นเนี่ยคืออะไรเข้าม่เราเป็นที่ให้กันบ้านพุดโทรลูกเดียวเลยอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไปนะมันมีอีกปีนึงคะ่ะหลวงพ่อ<วะ> ว่ามาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยจะส่งกันบ้านไปถึงปีนปีใหม่เปล่าเนี่ยปีสุดท้ายแล้วค่ะหลวงพ่อห<อ>ลวงพ่อบอกว่าให้ไปส่งกระจกแล้วเห็นอะไรในกระจกหนูก็ไปดูในกระจกมันก็เห็นว่าเราเนี่ยสวยอ <laughs> พอเห็นว่าเราสวยเนี่ยหนูก็เก็บโต๊ะเครื่องแป้งหมดเลย<อ>แต่ปรากฏ ว, ว่าที่บ้านเนี่ย กระจกรอบบ้านเลยค่ะเวลาเดินออกวันนอกบ้านก็จะดูตัวเองว่าโอ้ดูพอดูได้และอันนี้นั่นเองนะคะหลวงพ่อหนูไปข้างนอกไปกระทบกับสังคมมีคนเข้ามาชมหนูว่าสวยทันทีที่หนูได้รับคำชมนี้เนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นหนูก็เห็น จิตดวงที่หนึ่งโผล่มาเลยอืโกรธโอ้ดีพอดวงที่สองโผลมาอายค่ะโอ้ดีดีดพอดวงที่สามเนี่ยหนูเห็นมันว่าจิตดวงที่หนึ่งว่าอีโง่เห็นไหมเขารู้ความจริงแล้ว อ, อ, อันนี้หลวงพ่อมันทําให้หนูเข้าไปรู้ว่าหนูรู้ไหมจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะใช่ค่ะ จิตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นแหละดีมันทา<ำ>ปีนี้แหละภาวนาดีเนี่ยมันทำให้หนูรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นเป็นดวงไหนก็ไม่รู้มไม่สามารถบอกได้ว่าเราคือดวงไหนที่หายไปไม่มีไม่มีคะ่ะไม่มีสักดวงไม่มีสักดวงไม่มีเราสักดวงค่ะต่อจากนั้น แป๊บเดียวหนูก็คิดว่ามันจบแล้วปาปุ่ว่ามันไม่จบค่ะหนูก็เห็นจิตมันผุดขึ้นมาใหม่ไหลดวงเลยมันเหมือนเต้นระบำยุ้งยิ่งยุงยิ่งยุ้งยิ ง, ย ง, ย ง, ยงเออนั่นแหละดูมันยุ่งยิ่ไปค่ะไอ้นั้นไม่ใช่จิตหรอกจิตคือคนที่เห็นไอ้ตัวนั้นมันเต้นระบำตัวนั้นเป็นตัวสังขารแล้วค่ะแล้วมันมีเสียงด้วยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อตุด้ดทา้า มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพห ธ, ธรมรมารมณ์มีครบค่ะสุดท้ายที่มันสั่งลาหนูนะคะมันบอกทูกหนูก็กลับมาพิจารณาว่าถ้าเมื่อใดหนูพิจารณาให้น้อย <c oughs> พุทธโทรให้มากค่ะค่ะนะค่ะให้กันบ้านแล้วนะค่ะพุทธโทรลูกเดียวเลยเพราะหนูจิตฟุ้งซ่านค่ะ พุโทโธไว้พุโทโธพุธโทโธไปแล้วจิตแอบไปคิดพิจารณานโน่นนี่รู้ทันไปเรื่อยๆค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเออดีออ <c oughs> หนูนะเรียนซะหลายปี <c oughs> <c oughs> อา้าวกลับบ้านได้มีความสุขแล้วช่วงนี้ดีนะมอเตอร์เวย์ไม่เก็บตังค์ใช่ไหม <c oughs> กลับบ้านไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้มาใหม่นะ <c oughs> ก็ไม่เสียค่ามอเตอร์เวย์